จเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็จะบรรยายถึงประวัติของพระมหาเถระองค์สาคัญอีกองค์หนึ่งคือท่านพระมหากรสปะเถระท่านพระมหากรสปะเถระนี้ประวัติเดิมของท่านนั้น เป็นบุตรของพราหมณ์คือเป็นบุตรเกิดในตระกูลของพราหม์ในวรรณะของพราหมณ์บิดาของท่านชื่อกปิตละพราหมณ์ในกัสปะโคตในบ้านที่ชื่อว่ามหาติถะแว่นแคว้นมคธรรักเดิมนั้นท่านชื่อปิภลิมานก อีกอย่างหนึ่งเรียกตามโคตของท่านว่ากัศปัเรียกตามโคดเมื่ออายุได้ยี่สิบปีได้ทำอาวาหะมงคลกับนางพัฒกาปิลานีผู้มีอายุได้สิบหกปีนางพัฒกาปิลานีนี้เป็นบุตรของพรามเปิดในวรณะของพรามตระกูลแห่งโกศยะโคต ณนะส า, ราณครนครนเว้น แ, วนแวนควนมาครรั์เหมือนกันเรื่องราวในตอนที่จะได้แต่งงานนี้ก็มีอยู่ว่าเมื่อปิผลิมานกนี้อายุได้ยี่สิบปีกบิละบิลพรามกบิลพราหมผู้เป็นบิดาพร้อมด้วยนางพรามณีผู้เป็นมารดานั้นก็จึงได้ปรึกษาหาเลือกันที่จะหาพัญญาให้แก่บุตรของตนเอง ก็จิงได้มอบสิ่งของมีเงินและทองเป็นต้นให้แก่พรามแปดคนแล้วก็ส่งพรามนี้ไปเพื่อแสวงหาหญิงที่มีลักษณะที่งดงามมีฐานะมีฐานะและมีสกุลคือวันณะเสมอกับดตนเองพรามแปคนรับสิ่งของทองมั่นแล้วก็เที่ยวไปจนกระทั่งไปถึงสาขรันคร ในพระคนในพรค น, นี้ก็มีธิดาของพรามแห่งโกศียโคตรคนหนึ่งที่ชื่อว่าพัทธกาเิราณีขณะนั้นขณะนี้ก็ยังมีอายุได้เพียงสิบหกปีรูปร่างงดงามสมกับเป็นคนที่มีบุญพรามทั้งแปดเหล่านั้นทันได้เห็นอย่างนั้นแล้วก็จึงได้เข้าไปสู่ข อ, ขอแก่มารดาบิดาของนาง เมื่อเป็นการตกลงกันแล้วก็จึงได้มอบสิ่งของทองมั่นแล้วก็ได้กำหนดอาวาหะมงคลและจึงได้ส่งข่าวให้แก่ขบิลพรามให้ทราบส่วนปิพริมานพนั้นเมื่อได้ทราบดังนั้นแล้วตนเองไม่เป็นไม่มีความประสงค์ที่จะแต่งงานจึงได้เข้าไปในห้องเขียนจดหมายบอกความประสงค์ ให้แก่นางพัตกาพิลานีซึ่งมีใจความว่านางผู้เจริญขอนางาจงแต่งงานกับชายที่มีชาติและโคธพกสมบัติเสมอกับนางเถิดและจงอยู่ครอบครองเลือนกันอย่างอยู่เป็นสุขเถิดฉันจะออกบทขอแม่นางนั้นอย่าได้เบียดล่อนในภายหลังกลังเขียนเสร็จแล้วก็จึงได้มอบให้คน ใช้นำไปส่งให้แม้ถึงนางพัฒกาปิลาณีก็เช่นเดียวกันไม่มีความประสงค์ที่จะแต่งงานก็จึงในเขียนจดหมายเป็นทํานองเดียวกันมอบให้คนใช้นำไปให้ซึ่งในจดหมายนั้นก็มีใจความว่าขอให้ปิผลิมานรบนั่นแต่งงานกับหญิงอื่นที่มีชาติและสกโคตและสกุลเสมอกัน อยู่คลองลวงจนเป็นสุกเถิดส่วนดิฉันนั้นต้องการจะบวญคนชายทั้งสองฝ่ายนั้นก็ได้ถือจดหมายกันมามาพกกันในระหว่างทางต่างก็ถามใส่ต่ายถามซึ่งกันและกันก็ทราบว่าแต่ละคนละคนนั้นก็ถูกใช้มาให้นาจดหมายไปส่งก็จึงได้นึกเอใจและแปลกใจขึ้นว่าเหตุใดคนทั้งสองนี้จึงได้เขียนจดหมายกันคงจะมีเรื่องอะไรเป็นแน่ ก็ลองฉีกจดหมายเปิดจดหมายดูเปิดจดหมายทั้งสองฉบับ mm. เมื่อทราบข้อความแล้ว mm. ก็จึงได้เปลี่ยนจำนวนจดหมายใสมัยเขียนจดหมายสมั ย, mm. ย จ, ด ห, ยยจดหมายสองฉบับนั้นก็ฉีกทิ้ง mm. เขียนจดหมายมีทํานองในทางที่สแสดงซึ่งความรักซึ่งกันและกันซสขึ้นใหม่ mm. แล้วก็นําไปส่งให้แก่คนทั้งสองขั้นการต่อมา เมื่อการอวาวาหะมงคลได้สำเร็จไปแล้วคือชนทั้งสองก็ต้องแต่งงานกันตามความคิดเห็นหรือตามที่ท่านผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนั้นได้จัด ก, การกันกันโดยคนทั้งสองนั้นไม่มีความประสงค์เลยแม้ในขณะที่ฝ่ายผู้ใหญ่ทั้งสองนั้น ได้ส่งตัวเขาเลือนหอชนทั้งสองนั้นก็ต่างคนต่างขึ้นทีนะ่นขึ้นสู่เตียงนอนคนละฝักคนละทางโดยที่ปริมานกนี้ขึ้นทางขวาแล้วส่วนทางพัต ธ, ธกาปิลานีนี้ก็ขึ้นทางซ้ายถึงแม้จะนอนรวมเตียงเดียวกันแต่ว่าก็ขึ้นคนละทาง และะว้ลอดดอล ว, ลวระหว่างกลางเตียงนั้นก็มีช่อดอกไม้น่ะดอกไม้สองผูพวงดอกไม้สองผูกตั้งไว้ระหว่างกลางเพื่อกันต่อเพื่ อ, อเพื่อกลัวต่อการที่ร่างกายของเขาของตนเองนั้นจะถูกต้องกันในเวลานอนหลับเพราะทั้งสองคนนั้นต้องการเพื่อที่จะรักษาพรหมจรรย์ของกันและกันของตนและตนเพราะฉะนั้นก็จึงได้เป็นสามีพัญญากัน โดยธรมเนียมเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งสองนั้นไม่ได้เคยที่จะถูกต้องตัวกันเลยไม่เคยสมสู่ซึ่งกันและกันเลยแม้ถึงในเวลากลางวันก็ไม่ได้เคยหัวเราะยิ้มเยาะกันในฐานะหรือหยอกเอือนกันในฐานะที่ว่าเป็นสามีพันยาหรือในฐานะหญิงหนุ่มชายสาวเลยแต่ว่ามีเมื่อมีกิจการงานอันหนึ่งอันใดที่จะปรึกษาพูดจากันก็พูดจากัน ในฐานะที่เป็นพันยาและสามีกันโดยนามอันนี้ตามหลักท่านกล่าวว่าบุคคลทั้งสองนี้ได้จุติมาจากพรหมโลกจึงไม่มีความประสงค์ที่จะแต่งงานหรือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเป็นสามีพันยาต้องการจะรักษาพรหมจารย์ของตนเองไว้เพราะฉะนั้นชนทั้งสองหรือว่ตระกนนูลนี้จึงไม่มีบุตรทิดา แต่สามีพัญญาคู่นี้เป็นบุคคลที่มั่งคั่งมากเพราะเกิดในตระกูลที่มั่งคัง่งโดยกันทั้งสองฝ่ายต่อมานั้นเมื่อบิ ด, ดามารดาของแต่ละฝ่ายละฝ่ายถึงแก่กรรมไปแล้วรับสมบัติของสองตระกูลนี้ก็จึงได้รวมมาอยู่ในตระกูลเดียวกันทั้งสองสามีพัญญาคือปิดผลิ มนกกับพัฒกาปิลานีพูนี้ก็ได้ครอบครองทรัพย์สมบัติทั้งสองฝ่ายนี้ด้วยกันจึงเี่ยเพราะฉะนั้นเป็นตระกูลที่มั่งคั่งมากจึงมีการงานที่เป็นบ่อกเกิดแห่งทรัพย์อันมากมีคนงานพาหนะสำหรับใช้งานก็มากสองสามีพัญญานีมีความเห็นร่วมกันว่า ผู้คลองเรือนนั้นต้องคอยนั่งรับบาปเพราะการงานที่ผู้อื่นทำไม่ดีจึงมีใจเบื่อหน่ายพร้อมใจกันที่จะออกบทที่ว่ามีใจเบื่อหน่ายคือมีความคิดเห็นว่าผู้ครองเรือนนั้นต้องคอยนั่งรับบาปเพราะการงานที่ผู้อื่นทำไม่ดีนั้นตนเองนั้นเป็นคนที่มีทรัพย์ลำรวย เพราะฉะนั้นการงานต่างๆก็มีคนงานสาหรับทํำและมีพานะสําหรับชาในการทํางานแต่ว่าคนงานนั้นทํางานตามคําสั่งของตนเองเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าคนงานเหล่านั้นทําไม่ดีเช่นว่าไปไถแอเช่นว่าไปทํางานอ่าไปเจ็ดไปไถนาไปโดนเอาสัตว์ที่อยู่ในดินตายเขาบังทําไปตามคําสั่งของเจ้านายนั้นเพราะฉะนั้นบาปนั้นก็ตกอยู่กับเจ้านายด้วย เพราะเป็นผู้สั่งให้ทำเมื่อมีความคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็คิดว่าเราทั้งเราทั้งสองนี้แม้จะไม่ได้กระทำกงางนางกติจริงแต่ก็ต้องคอยนั่งรับบาปของผู้อื่นที่เขาทำจึงมีจิตใจเบื่อน่ายคิดพร้อมใจกันที่จะออกบทจึงได้ไปแสวงหาผ้าสกาสายะก็คือผ้าที่ยอ่อโดยนำฝาดและบาดดินจากลานตลาดรงผมซึ่งกันและกันแล้วก็นุ่งนุ่งห่มผ้ากาสาวพัด อธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตคือเป็นนักบวชออกบทอุทิตเฉพาะพระอรหันต์ในโลกและต่างคนก็ต่างสภพายบาตรเดินลงจากเลื่อนของตนเองหลีกไปโดยที่เปโพลิดาบทนั้นเดินนำหน้าแล้วพัทกาปิลานีนั้นก็เดินตามหลัง เดินตามกันไปจนกระทั่งมาถึงทางสองแพร่งแห่งหนึ่งก็จึงได้ปรึกษาพัตต่รแก็จึงได้พูดกันว่าการที่เราแม้ว่าเราทั้งสองนี้จะละเพศคารวะออกเป็นบรรพชิตแล้วแต่ก็ยังไปไหนเดยวยกันและเดินโล่มกันนี้ย่อมเป็นที่ครหานินถาแก่คนทั่วไปว่าเป็นนักบวชแล้ว ยังไม่สามารถที่จะแยกกันได้ยังอยู่กันแบบคลาวาทยังเดินไปด้วยกันเดินไปคู่กันแบบสามีภรรยาย่อมจะเป็นที่ขังหาหนินทาก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงทางสองแยกนี้เราควรจะแยกกันปิผลิดาบทนั้นก็จึงได้พูดกับพัทธกาปิลานีว่าเธอจงเลือกเอาเธอจะไปทางไหน พัฒกาปิลานีก็จึงได้บอกว่าในฐานะที่ท่านเป็นสามีท่านก็ควรที่จะเลือกเอาทางขวาส่ว น, นฉันนั้นในฐานะเป็นพัน ญ, ญาก็ควรจะเลือกเอาทางซ้ายเมื่อตกลงกันเช่นนี้แล้วพัตกาปิลานีนั้นก็จึงได้ขอสมาโทษขอขมาโทษแล้วก็ได้ทำประทักษิณแล้วก็ถือเอาทางเดินไปในทางซ้าย ท่านกล่าวไว้ว่าในขณะที่คนทั้งสองแยกกันนั้นปรากฏว่าแผ่นดินไหวในตำนานบางตำนานท่านได้กล่าวไว้เช่นนั้นพัธกาปิลาณีนี้ได้เดินไปทางทรายจึงไปถึงสำนักของภิกษุณีสำนักหนึ่งก็จึงได้บวชเป็นภิกษุณีและภายหลังต่อมาก็จึงได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกัน ส่นปิพลิดาบทได้เดินไปทางขวาได้ไปพบพระบรมศาสดาประทับอยู่ใต้ล่มไายต้นหนึ่งซึ่งล่มสายต้นนี้ชื่อว่าพะหุพุตตะนิโครธซึ่งอยู่ในระหว่างกรุงราชครุษและนารันธาต่อกันซึ่งกรุงราชครุษและนารันธาต่อกันนี้ในปัจจุบันนี้ เขาเรียกหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านสีเหลือเมื่อเห็นพระบรมศาสดาแล้วก็มีความเรื่อมใสจึงได้เปล่งวาจาประกาศขึ้นทันทีว่าพระศาสดานั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้าส่วนข้าพเจ้านั้นเป็นสาวกของพระบรมศาสดาพระพุทธองค์นั้นจึงได้ทรงอนุญาตให้ ปิพลิดาบทนั้นเป็นพิสุในพระธรรมวินัยโดยการประทานโอวาทสามข้อซึ่งมีใจความว่าจัสปะเธอพึงศึกษาว่าเราจะเข้าไปตั้งความระอายและความเกรงไว้ในพิสุที่เป็นผู้เท่าและปานกลางอย่างแหลงกล้าข้อทิ่สอง เราจะฟังธรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยกุศลและจากเงี่ยวหูลงฟังธรรมนั้นพิจารณาเนื้อความดังนี้ข้อสามเราจะไม่ละสติที่เป็นไปในกายคือพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์ท่านเมื่อพระพุทธองค์ได้ประธานโอวาทแก่กสปะอย่างนี้แล้วพระองค์ก็เสด็จหลีกไป ในที่นี้จะเห็นได้ว่าองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเรียกเป็นผลิมานกนั้นโดยโคตรวากัสปะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านาบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาแล้วสหรพระมจารีทั้งหลายก็เรียกท่านว่าพร ะ, พระกัสปะเถระหรือพระมหากัสปะเถระกันต่อมา แล้วการที่องค์ธุดะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานโอวาทสามข้อนี้ถือว่าเป็นการยอมรับกัสปันี้เพราะกัสปะตี้เป็นพระที่ถูกต้องในไว้ในพระพุทธะที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการให้พระอุปสมบทแบบนี้ท่านกล่าวว่าเป็นการให้อุปสมบทโดยการประทานโอวาทสามข้อจึงเป็น การอุปสมบทอีกวิธีหนึ่งแต่บางอาจารย์ก็ได้วินิจได้วินิจฉัยว่าก็คงไม่พ้นไปหรือว่าไม่พ้นไปจากแบบเอหิพิคุสมะถามือนกันแต่ว่าการที่พระองค์ทรงตัดให้บทนี้ไม่ใช้คำว่าเอหิพิคุท่านจงเป็นพิสุมเถิดแต่โดยการที่ประธานโอวาทสามข้อถือว่าเป็นการยอมรับกษัสระนี้หรือปิผลิดาบทนี้ เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแล้วพระองค์ก็สเสด็จหลีกไปท่านพระกัสสปะเทระนั้นได้ฟังพุทธโอวาทที่ทรงสั่งสอนแล้วก็บำเพ็ญเพียรไม่ช้านะักในวันที่แปดแต่อุปสมบทมาก็ได้สําเร็จอรหั ต, ผ ล, ห ต, หตผลเป็นพระรหัตเมื่อท่านได้สาเร็จอรหัตผลเป็นพระรหัตแล้วตามปกติธรรมดานั้นท่านพระมหากัสสปะนี้ ถือมั่นในทุต ด, ดงสามประการทุต ด, ดงสามประการนั่นก็คือข้อที่หนึ่งถือการห่มผ้าบางสกุลจีวรเป็นวัดผ้าบางสกุลจีวรนี้ก็คือผ้าที่ไปเก็บมาตามสถานที่เขาหอ่อศพหรือว่าผ้าที่เขาทิ้งตามสถานที่เขาหอ่อศพ หรือที่เขาทิ้งตามร้านตลาดสองเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดคือถือการบิณฑบาตมาฉันเป็นวัดโดยที่ไม่ได้รับนิมนต์ไปฉันตามบ้านหรือตามที่อื่นและประการที่สามถืออยู่ป่าเป็นวัดคืออยู่ป่าเป็นอาจินไม่อยู่อาวาสที่อยู่ในบ้านหรือว่าไกลบ้านคือไม่อยู่ที่วัดด้วยเหตุที่ท่าน ถือทุนดองคุณสามข้อนี้แหละองค์สมเด็จพระสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าจึงยกย่องท่านว่าเป็นผู้เลิศ ก, กว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายผู้ทรงทุนดองคุณและนอกจากนี้แล้วท่านยังมีคุณความดีที่พระบรมศาสดา น, นั้นทรงยกย่องอีกหลายสถานเช่นประการที่หนึ่งนั้นทรงรทร ง, ทรงถือเอา้าสังขติของท่านพระมหากัสปะนั้น ไปทรงใช้แล้วก็ประทานผ้าสังขติของพระองค์นั้นให้แก่ท่านพระสังขติให้แก่ท่านพระมหาคสปะใชา้เป็นการที่เรียกว่าแลกผ้าสังขติกันใช้การที่พระองค์ทรงทำเช่นนี้ก็เหมือนว่าพระองค์นั้นทรงยกย่องท่นพระมหาคสปะนี้ว่ามีคุณธรรมเสมอกับพระองค์โดยที่เปลี่ยนของกันใช้ได้เหมือนกับคนที่เสมอกัน และผ้าสังคติผืนที่พระองค์ทรงประทานให้นั้นเป็นผ้าสังคติที่ได้มาจากผ้าห่อศพของอานามปุณณธาสีซึ่งผ้าสังคติผืนนี้เป็นผ้าสังคติสําคัญมากที่พระองค์ได้ทรงถือเอาจากผ้าห่อศพของนามปุณณธาสีเนี่ยทําให้แผ่นดินไหวหลายครั้งประการหลายหลายครั้งที่จะทําเป็นผ้าสังคติ เพราะฉะนั้นการที่พระองค์ประทานเชนนี้ก็แสดงว่าพระองค์นั้นทรงยกย่องธรรมมหากระสปะนั้นว่ามีคุณธรรมเสมอกับพระองค์ซึ่งพระองค์ในตามประวัติแล้วไม่เคยทรงเปลี่ยนภาสังกติกับพระสาวกองค์ใดที่แรกกันใช้เลยและพระองค์ก็ยังตรัสว่าพระมหากระสปะนี้เป็นผู้ที่มีวิหารธรรมหรือว่าทำเป็นเครื่องอยู่ วิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่นั้นเสมอกับด้วยพระองค์วิหารธรรมหรือธรรมเป็นเครื่องอยู่นี้ก็ได้แก่ณวาปุพพาวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่โดยลำดับก็ได้แก่วิหารธรรมเก้าครามเป็นเครื่องอยู่โดยลำดับเก้าประการในียวกันในที่นี้ที่เราเรียกกันว่าอีกประการหนึ่งเรียกว่าสมาบัติเก้าสมาบัติเก้า สมาบัติก้านี้หรือว่านวะปุกอานวาปุกพ ว, วิหารธรรมเ้านี้ก็ได้กแก่อ่ารูปิชานสี่อารูปิชานสี่แล้วก็สัญญาเวทยิตานิโรธซึ่งรวงกันแล้วเรียกว่าเป็นสมาบัติก้าหรืออนุปปภวิหารธรรมเก้าซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่า มีสมาบัตเป็นเครื่องอยู่หรือว่ามีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่นี้เสมอกับด้วยพระองค์และทรงสรรเสริญว่าท่านพระมหากระสปะเทระนี่เป็นคนที่มีความมักน้อยสันโดษจนกระทั่งตัดสอนที่สุดทั้งหลายนั้นให้ถือเป็นเอาเอ า, เอาเป็นตัวอย่างประการที่สองทรงยกย่องท่านพระมหากระสปะว่าเมื่อเข้าไปใกล้สกุลแล้วชักกายและใจออกห่าง ประพฤติตนเป็นคนใหม่เสมอเป็นคนที่ใหม่คุ้นเคยเป็นนิดไม่ขนองกายวาจาใจในสกุลเป็นนิดจิตไม่คล้องอยู่ในสกุลเหล่านะั้นเพิกเฉยตั้งจิตเป็นกลางเป็นกลางว่าผู้ใดอยากได้ลาบจงได้ลาบผู้่าผู้ใครบุญก็จงได้บุญตนได้ลาบมีใจดีฉันใดมีใจฉันใด ผู้อื่นก็มีใจฉันนะั้นในทีน่นี้ท่านยกย่องทำพระมหากระสปะว่าเมื่อเข้าไปสู่ตระกูลแล้วมีใจออกห่างอยู่เสมอโดยที่ว่าไม่ทําการสนิทไ ม, ไม่ไม่ทําความสนิทสนมหรือว่าไม่เป็นคนทําความสนิทสนมกับสกูลนะั้นไม่เป็นที่คุ้นเคยกับสกูลนะั้นคือทําเหมือนกับคนที่เพิ่งจะไปใหม่เพิ่งจะรู้จักเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยกัน อันนี้ก็เป็นลักษณะดีอย่างคือคนเราต้องหากว่าแสดงความคุ้นเคยซะแล้วเดี๋ยวก็เกิดความไม่สํหลวงขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะทำใจเหมือนกับเราเนี่ยเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอเป็นผู้เพิ่งมาเพิ่งรู้จักไม่คุ้นเคยแต่ะกูลนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุที่ทำให้ท่านไม่ขนองกายวาจาในสกุลนั้นเป็นนิดแล้วก็ทำเจตไม่เกี่ยวข้องในสกุลนั้นคือไม่หวง สกนั้นหรือไม่ทำจิตเกี่ยวข้องในสกุลนั้นไม่ยึดว่าผู้นั้นเป็นะกุลที่คุ้นเคยกับเราทําเหมือนกับว่าคนสามัญทั่วไปหรือคนทั่วไปธรรมดานั้นแล้วก็เพิกเฉยินถตั้งจิตเป็นกลางว่าผู้ใครผู้ใครที่ได้ลาบก็จงได้ลาบผู้ใครบุญก็จงได้บุญตนเองได้ลาบแล้วมีใจฉันใดคนอื่นก็มีใจฉันนั้นทําจิตใจของตนเองให้เสมอกับผู้คนอื่นประการที่สาม พระองค์ทรงสรเสริญว่ากสปะนี้มีจิตใจประกอบไปด้วยเมตตากรุณาแสดงธรรมแก่ผู้อื่นและประการที่สี่นั้นทรงสั่งสอนพิษุให้ประพฤติดีประพฤติชอบโดยยกเอาท่านพระมหากสปะนี้เป็นตัวอย่างท่านพระมหากสปะนี้ดีแต่ในทางปฏิบัติหาพอใจในการสั่งสอนอพิสุสหธรรมิกใหม่ เพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาอันเป็นอนุสาวอสริศนีของท่านนั้นจึงไม่ค่อยจะมีคงมีแต่ธรรมภาสิทเนื่องจากธรรมสากระฉาคือการอาคุยกันในเกี่ยวกับเรื่องธรรมะกับเพื่อนสาวกด้วยกันบ้างกล่าวบริหารพุทธบัตรดำหลัดบ้างท่านนั้นอยู่มาถึงภายหลังพุทธบริญพาน ในเมื่อพระบรมศาสดายังชนพระชนมายุอยู่นั้นท่านไม่ค่อยได้ออกหน้าออกตามไดเป็นแต่เพียงว่าภาษาวกลุผู้ใหญ่ลึ่งเานั้นที่หนักไปในทางทุน ด, ดงคุณหรือายทางปฏิบัติจนกระทั่งพระพุทธองค์นั้นเคยสรรเสริญท่านต่อนหน้าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายว่าดูก่อนอุบาสกบาสิกาทั้งหลายตถาคตนั้น นุ่งห่มผ้าหรือว่าตถาคตนั้นทรงผ้าข้าบดีจีวรแต่กระสปะลูกของตถาคตนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดตถาคตนั้นฉันอาหารในที่นิมนต์แต่กระสปะลูกตถาคตนั้นถือบิณทบาทเป็นวัดตถาคตนั้นอยู่ในอ่า ในที่มงที่บงังแต่กสปะกนุสถาคตนั้นอยู่ป่าเป็นวัดองค์ทุเนเดชพรสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้านั้นก็เคยเตือนท่านพระมหากสปะว่าดูก่อนกสปะเธอหนาแก่แก่แล้วเท่าชะลาแล้วการที่ห่มภาพมัสกุลเจวร น, นั้นเป็นของหนักทำให้ร่างกายลำบากการที่ฉันอาหารที่บิณฑบาตนั้น เป็นของดีบ้างเลวบ้างแต่อาหารที่ในที่นิมนต์นั้นเป็นของที่ปนนิดสมควรแก่ผู้เท่าชะลาและการอยู่ป่าเป็นวัดนั้นมีอันตรายจะเหลือยุงบ้างควรจะอยู่ในอาว่าที่ใกล้บ้านมีที่มุงที่บังเพราะว่าเธอแก่เท่าชะลาแล้วกาสปะก็ทรงฟังพระดำหลักแต่ก็ยังทวพุทวัดปฏิบัติตามทุนดวงขงวัดข้างตัวเองอีก นี่ในที่นี้ก็จะเห็นได้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะบางครั้งนั้นถึงกับทรงยกย่องพระมหากรสปานั้นว่าได้เคล่งพัดกว่าพระองค์ดังที่ได้ทรงกล่าวแก่อุบาสกสิกาทั้งหลายเพราะฉะนั้นในขณะที่พระอะพระบรมศาสดายังทรงพระชนมายุอยู่นั้นท่านไม่ค่อยมีชื่อมีเสียงนักเป็นแต่เพียงพระผู้ปฏิบัติและเป็นพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งเท่านั้น มาปรากฏว่าเป็นสา ว, วกองค์สำคัญเมื่อพระบรมศาสด า, สดาทรงปรินิพานแล้วคือในเวลาที่ถาวายพระเพลิงนั้นท่านพระมหากัสรินี้ได้เป็นพระสังเถร ะ, ะคือเป็นพระเถระผู้ใหญ่กว่าเขาทั้งหมดแล้วก็ได้ประชุมสงฆ์เล่าถึงเรื่องสุพัทธอุทธบรรมชิตนั้นกล่าวคำไม่ดีไม่ชอบต่อพระธรรมวินยัยชักชวนให ในคราวที่เดินมาจากเมืองปาวานนครแล้วก็จึงได้ปรึกษาหาเหลยกับพระพิสุสงฆ์นั้นในการที่จะทำสังขยารวบรวมพระธรรมวินัยตั้งให้เป็นแบบฉบับพระสงฆ์ก็ยินยอมเห็นชอบด้วยก็จึงได้เลือกให้ท่านนั้นเป็นประธานในการทำสังขยาแล้วก็จึงได้เลือกพระสงฆ์ที่เป็นพระรหันต์ ประมาณห้าร้อยลูกถึงห้าร้อยลูกในการทําสังเขนาผสมสังเขนาครั้งนั้นการทําครั้งนั้นก็ทําที่ถ้าสัตบัญญัตคูหาเวพาละบันพศกรุงะะราชฤกฤในการทําสังเขนานั้นท่านพระมหากระสปะก็ได้เป็นประธานได้พระอุบาลีเป็นผู้วิสัญนาพระวินยัยและได้พระอนนุนเป็นกําลังใหญ่ในการวิสัญนาพระสุขและพระอภิธรรม และก็ได้พระเจ้าชาติสตรูนั้นเป็นสาสนูปถมพกทมอยู่เจ็ดเดือนจึงได้สาเร็จเพราะฉะนั้นการทำสังขยนาครั้งนั้นจึงได้เรียกกันว่าปฐมสังขีติหรือปฐมสังขยนาคือเป็นการสังขยานาครั้งแรกและจึงได้จัดเป็นพระไตรปิฎกเป็นสาปิฎกด้วยกันเช่นว่าชื่อว่าวินยัยยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎก เมื่อท่านทำสังเคนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าตอนหลังนี้ท่านก็ได้อยู่ที่วัดพเวลวนเวลวนารามหรือว่าวัดเวลวันในกรุงเทพมหาน่นเองแล้วก็ท่านมักจะไปหลีกเล่นณที่ท้ำแห่งหนึ่งที่เรียกกันว่าปิภัลิคูหาซึ่งถ้ำ น, นี้ก็ได้ชื่อตามชื่อของท่าน แต่บ า, บางอาจารย์นั้นก็ได้กล่าวว่าถ้ำนี้ที่ได้ชื่ออย่างนั้นนั้นเพราะเหตุที่ว่ามีต้นดีปลีต้นหนึ่งอยู่ที่หน้าถ้ำจึงได้ชื่อว่าปิดพลิคูหาแต่ความเข้าใจของผู้บรรยายแล้วน่าจะเป็นที่ชื่อฉันท่านมากกว่าว่าปิดพริคูหานั้นเพราะเหตุที่ว่าเดิมนั้นท่านชื่อปิดพลิท่านเป็นผู้ไม่ประมาทปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจ ดำลงอายุสังขารมาประมาณได้120ปีก็ดับขันธปรินิพพานและก็ทานก็ได้ปรินิพพานนั้นนะระหว่างกลางุภูเขาที่ชื่อว่านะระหว่างภูเขาที่ชื่อว่ากุกุตตะสัมปาตะบันพศทั้งสามลูกนะหมายความว่ามีภูเขา สามลูกท่านก็ได้ผลิตภัณฑ์ในระหว่างภูเขานั่นที่ชื่อว่ากุกุตะสัมปาตะบันพศทั้งสามลูกคือภูเขามาประจบกันณที่กรุงราชคลึมหานครเองก็เป็นอันว่าประวัติของท่านพระมหาเถระองค์สำคัญองค์หนึ่งซึ่งเป็นองค์ที่ลิเริ่มในการกระทำปฐมสังเกนาคือท่านพระมหากสปเถระก็ได้จบลง เพียงแค่นี้ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านนักศึกษาและสาธุชนโดยทั่วกันขอเจริญพรและท่านสาธุชนทั้งหลายคราวนี้ก็มาว่ากันถึงเรื่องประวัติของท่านพระมหาเถรีอีกองค์หนึ่ง ก็คือท่านพระมหากัจจายนะเถระท่านพระมหากั จ, จายานะนี้เดิมท่านนั้นประวัติเดิมของท่านนั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์เป็นบุตรพราหมณ์ผู้เป็นปุโรหิตแห่งกัจจานโคดหรือว่ากั จ, จายานะโคดคือบิดาของท่านนั้นเป็นปุโรหิต ปุโรหิตนี่หมายถึงว่าเป็นอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนพระเจ้าแผะดินหรือว่ากษัตริย์คือบิดาของท่านนี้ได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าจันทประโชดแห่งกรุงกุุเชนีนะแห่งกรุงอุเชนีเดิมนั้นท่านชื่อกัญจนะ ท่านเกิดในกัจจานะโคตรหรือว่ากัจจายนะโคตแต่ว่าตัวท่านเองนั้นตัวท่านนั้นชื่อว่ากัญจนะซึ่งกัญจนะนี่แปลว่าทองเพราะว่าปรากฏว่าเมื่อท่านเกิดมาแล้วนั้นเป็นผู้ที่มีผิวกายขาวเหลืองเหมือนกับทองทอ ง, ทองทาเขาจึงได้ให้นามอ่าจึงได้ตั้งชื่อท่านว่ากัญจนะเมื่อจเจริญวัยขึ้นมาแล้ว ก็ได้เรียนจบไตรเพศคือคำภีสามหรือเวสสามประการตามลัทธิของพราหมณ์ต่อมาเมื่อบิดาของท่านนั้นเมื่อบิดาเมื่อบิดาออของท่านนั้นได้ถึงแก่อสัญญกรรมไปแล้วกัญจนะมานพุนี้ก็จึงได้รับตำแหน่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจันทประโทษโทแทนบิดาของตอนเอง ขั้นการการต่อมาพระเจ้าจันตรประโชด น, นี้ได้ทรงทราบว่าสมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งออกจากบวชออกอซึ่งออกบวชจากสกยตตระกูลในตัสรุอนุตระสัมมาสัสมโพธิญาณแล้วสเสด็จเที่ยวสั่งสอนโปรดประชาชนทั่วไปธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นเป็นธรรมะที่แท้จริง ยังประโยชน์ให้สําเร็จแก่ผู้ฟังและแก่ผู้ยังประโยชน์ให้สําเร็จแก่ผู้ประพฤติตามเป็นอันมากมีพระราชประสงค์จะใคลเชิญเสด็จสมเด็จพระบรมศาสดานี้ให้เสด็จไปประกาศศาสนาที่กรุงอุเช น, นีบ้างดังนั้นก็จึงได้ตรัสตรัสเรียกกัจจายนะปุโรหิตหรือว่ากัญจนะผูนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้จบไตรเพศไปไปทูลเชิญเสด็จกัจจายนะบริโหรือว่ากันจายนะโริโผู้นี้ก็จึงขอบรมราลาชาอนุญาตที่จะขอลาบทด้วยทูลลาบทด้วยครั้นได้รับพระบรมมลาชาอนุญาตเสร็จแล้วก็จึงได้ออก จากกรุงอุเช น, นีพร้อมด้วยบริวารทั้งเจ็ดคนด้วยกันมาเฝ้าพระบรมศาสดาแต่ที่นี้ท่านก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าในหนังสือตำนานนี้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าพระบรมศาสดานั้นประทับอยู่ณที่ใดแต่ความเข้าใจหรือที่ผ่านๆมาเข้าใจว่าพระบรมศาสดานั้นคงจะประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารที่กรุงสาวัตถีนั่นเอง ทั้งเจดคนทั้งแปคนคือบริวารทั้งแปทั้งแปดคนคือกัจจายนะบรหโิตพร้อมด้วยบริวารเจ็ดคนนี้ขั้นถึงที่ประทับพระบรมศาสดาแล้วก็จึงได้พาเข้าไปฟากันเข้าไปเฝ้าพระองค์ก็ได้ทรงตรัสเทศนาสั่งสอนในที่สุดทั้งเจ็ดคนนั้นทั้งแปดคนนั้นก็ได้บรรลุอรหัต ได้บราารลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งแปดคนก็จึงได้ขอบททูลขอบทพระพุทธองค์นั้นก็ทรงอนุญาตให้เป็นพิษุหรือให้บท ด, ด้วยวิธเอวด้วยเอหิพิขุอุปสมบทาครั้นได้อุปสมบทแล้วกระจายอ่าพระมหากระจายนะเถระนี้ก็จึงได้ทูลเชิญเสด็จ ทูลเชิญอารัธนาพ ร, พระพุทธองค์นั้นให้เสด็จไปกรุงอุเชนีตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าจันทประโชธพระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสว่าเธอไปเองเธอเมื่อเธอไปแล้วพระเจ้าจันทประโชดนั้นจกเลื่อมใสพระองค์ไม่เสด็จไปเองโดยที่ตรัสสั่งให้ พระมหาการยานนั้นเสด็จไปท่านพระมหาการยา น, นั้นก็จึงได้พร้อมบริวารของตนเองซึ่งเป็นภิกษุบวชด้วยกันนั้นทั้งแปดองค์ด้วยกันกราบถวายบังคมลาพระพุทธองค์แล้วก็ได้ไปกลับไปสู่กรุงอุเชนีเพื่อที่จะไปโปรดพระเจ้าไปประกาศพระศาสนา พระมหาการยา น, นี้ได้ไปรประกาศพุทธศาสนาให้พระเจ้าจันทประโชดและประชาชนชาวกรุงอุเชนีนั้นเลื่อมใสเป็นอันมากเมื่ออยู่ที่กรุงอุเชนีนั้นพอสมควรแก่การแล้วก็จึงได้กลับมาสู่สำนักข อ, ของพระบรมศาสนาปรากฏว่า <c oughs> ท่านพระมหาการยานะนั้นเป็นผู้ที่มีความฉลาด ในการที่อธิบายความคำที่ย่อๆให้พิดานได้คำที่พระพุทธองค์นั้นได้ตรัสเป็นย่อๆก็สามารถที่จะอธิบายขยายความให้พิสานให้ข้าให้บุคคลผู้ฟังเข้าใจได้เช่นในครั้งหนึ่งพระบรมศาสดานั้นทรงแสดงเรื่องพัทเทกรัตสุตกล่าวโดยย่อ พัทเทกัลตสูตรนี่หมายถึงว่าพระสูตรที่ว่าดโดยราตรีอันจเจริญอันนี้ในเนื้อความนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสว่าแล้วก็ทรงตรัสในทํานองว่าถ้าบุคคลใดไม่ประมาทบุคคลนั้นประพฤติธรรมแม้จะอยู่เพียงราตรีเดียวก็ยังดีกว่าบุคคลที่ประมาทเลื่อๆอยู่ได้หลายอยู่กันหลายเป็นเยร้อยปีแบบทํานองนั้น แล้วในพระเถกระ ส, ะสูตรนี้พระองค์ก็ดุลย์ตัดว่าจงเร่งกระทำความเพียรเสร้นแต่ในวันนี้เพราะใครๆไม่ทราบได้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้คืออย่าปล่อยเวลาให้ผ่านว่างไปโดยไรประโยชน์แต่พระองค์นั้นทรง ต, ตัดเพียงโดยย่อแล้วก็เสด็จลุกเข้าในพระวิหารที่ประทับภิกษุทั้งหลายไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสที่จะทูลถามเนื้อความที่พระองค์ตรัส ที่ทย์ตรงตัดได้ย่อนั้นให้เข้าใจอย่างกว้างขวางได้ดังนั้นก็เห็นว่าเมื่อไม่สามารถที่จะทูลถามได้ก็เห็นความสามารถของท่านพระมหาการจายนะนี้ก็จึงได้อารัธนานิมนต์ให้ท่านเนี่ยช่วยอธิบายให้ฟังท่านพระมหาโมคราณะนี้ก็ได้อธิบายให้ฟังโดยพิสดารจนกระทั่งพระพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นมีอมีความเข้าใจ มีความเห็นที่ถูกต้องแต่ว่าท่านก็ยังได้กล่าวว่าอ่าท่านภูมิมีอายุทั้งหลายเราเข้าใจเนื้อความแห่งธรรมะที่พระองค์ทรงสแสดงนั้นน่ะแสดงโดยย่อนั้นตามความแอบโดยย่อนั้นอย่างนี้เองแต่จะถูกหรือไม่นั้นขอให้ท่านทั้งหลายนั้นถ้ามีโอกาสแล้ว จงทูลถามพระพุทธองค์อีกครั้ง่งถ้าหาพระองค์ทรงตัดว่าอย่างไรจงถือเอาเนื้อความอันนั้นพระองค์จะทรงแก้อย่างไรก็จึงถือเนื้อความ น, นั้นแล้วก็จงจําไว้ภิกษุเหล่านั้นก็จึงได้ลาท่านอยู่มาภายหลังนั้นเมื่อมีโอกาสก็จึงได้เข้าเฝ้าพระบรมศ า, ศาสดาก็จึงได้กราบทูลเนื้อความนั้นนะว่า ที่พระองค์ทรงสดแสดงไว้โดยย่อนั้นท่านพระมหาการยนะได้อธิบายขยายความเป็นอย่างนี้จะใช่หรือไม่พระพุทธองค์นั้นเมื่อได้ทรงฟังแล้วก็จึงได้ตรัสสรรเสริญพระมหาการยนะว่าพิสุท์ทั้งหลายกาจารยนะเป็นผู้ที่มีปัญญาถ้าพวกเธอถามเนื้อความนังแต่เราแม้เราก็จะแก้เหมือนอย่างที่การยนะเขาแก้ให้เธอฟังหรือที่บายเธอฟังนั่นแหละ เนื้อความที่เราอ่าเนื้อความแห่งธรรมะที่เราได้แสดงโดยย่ออนั้นอย่างนั้นแหละเธอจงจําไว้เถิดจงทําตามคําอธิบายหรือตามที่ท่านพระมหาไกจายนะนั้นอธิบายให้เธอฟังจงจําไว้อย่างนั้นจงเข้าใจอย่างนั้นเถอดด้วยเหตุนี้แหละพระบรมศาสดาจึงได้ยกย่องท่านพระมหาไกจาย น, นี้ว่าเป็นเลิศ ก, กว่าพิสุทั้งหลาย ในทางที่อธิบายเนื้อความย่อให้พิสดารท่านพระมหาการยานะนี้ตามประวัติของท่านนั้นท่านได้ทูลขอพระบรมราชได้ทูลขอพระบรมพุทธานุญาตให้พระองค์นั้นทรงแก้ไขพุทธบัญญัติบางข้อซึ่งที่ซึ่งขัดข้องหรือว่าซึ่ง ไม่สมควรแก่ประเทศบางแห่งหรือว่าสถานที่บางแห่งเช่นเมื่อครั้งท่านนั้นได้ไปสำนักอยู่อาศัยที่ภูเขาที่ชื่อว่าประวัตตแขวงเมืองกุรุคละในอวันตีทักคินาทักคินาชนบัทั ก, นทกินาปะทชะชนบทมีอุบาสกผู้หนึ่ง ผู้เป็นอุปถาของท่านเองชื่อว่าโสนกุติกันนะมีความประสงค์มีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาประสงค์จะบวชแต่ว่าหาพระที่จะครบให้บวชไม่ได้ท่านก็ได้พยายามพูดจาบ่ายเบี่ยงให้ยินดีในความเป็นคารวะทาบุญทากุศลก็สามารถที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เหมือนกัน เพื่อเป็นการบ่ายเบี่ยงเพราะไม่สามารถจะมีพระครบตามกำหนดสิบรูปให้ให้บวชได้แต่อุบาสกคนนั้นมีศรัทธาแรงกล้าต้องการจะบวช ด, ดังนั้นก็จึงได้เพียงบรรพชาเป็นสมณา น, น, นั้นต้องบพรพชาเป็นสมณีนอยู่ถึงสามปีจึงจะหาภิกษุในอวันตีทักินาปะทะชนบวได้ครบสิบรูปจึงได้ทาการอุปสมบท เมื่อพระโสณนาุติกันนาณั้นได้อุปสมบทแล้วอยู่มาภายหลังนั้นมีความปรารถนาที่จะไปเฝ้าพระบรมศาสดาท่านพระมหาการยนะนี้ก็จึงได้ไปทูลาท่านไปไปลาท่านพระอุปชายยะคือท่านพระมหาการยนะพระมหาการยนะก็อนุญาตและก็สั่งให้ไปถวายบังคมพระบายของพระพุทธองค์ตามคำของท่านแล้วก็ให้กราบ ทูลขอพระพุทธานุญาตให้พระองค์ทรงแก้ไขบางไอ้ข้อพุทธบัญญัติซึ่งขัดกันต่ออวันตีทักินาปะทะชนบดห้าข้อด้วยกันคือในข้อที่หนึ่งท่านพระมหากระจจยนะก็จึงได้ฝากมากกาบทูลว่าในอวันตีทักินาปะทะชนบดมีภิกษุน้อย ขอพระผู้อขอพระพุทธองค์นั้นพึงทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยภิกษุมีคณะน้อยกว่าสิบรูปเถิดในข้อนี้พระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการอุปสมบทในปัจจันตชนบทด้วยคณะพระวินัยทอนเป็นที่ห้า ในที่นี้พระองค์ก็ทรงมีพุท ธ, ธานุญาตว่าสำหรับในปัจจันตชนบทนั้นพระภิกษุเพียงห้ารูปทำการอุปสมบทกุณบุตรได้แต่ในมัชิมะชนบทยังต้องใช้สิบรูปอยู่อันนี้เป็นข้อที่เรียกว่าพระองค์ทรงผลผันให้ตามที่พระมหากจจยนะทรงขอร้องทร ง, ทรงทูนขอ เพราะฉะนั้นแม้ในประเทศไทยเราก็ใช้พระเพียงห้ารูปก็สามารถที่จะอุปสมบทได้แต่ว่าถ้าหากว่ามาีเราสามารถที่จะหาพระได้มากกว่านี้ก็ควรที่จะให้มากกว่านี้เพื่อกันการตกหล่นเป็นบางสิ่งบางประการเกี่ยวกับวินัยกรรมดังนั้นการที่พระมหากรารยะ น, นี้ก็ถึงทำให้เราอยู่ในปัจจันตชนบทนี้สามารถอุปสมบท กุณบุตรได้โดยมีพระเพียงห้าลูกเท่านั้นเองไม่ต้องถึงสิบลูกในข้อที่สองนั้นท่านพระมหาการยนะก็จึงได้ฝากมากราบทูลว่าในอวันตีทักินาประทศชนบทมีพื้นที่ครุกคัะไม่สม่ำเสมอขอพระพุทธองค์นั้นพึงทรงอนุญาตให้ใช้รองเท้าเป็นชั้นชนได้เถิดในข้อนี้ พระองค์ก็มีพระพุทธานุญาตว่าดูก่อนพิสุทธทั้งหลายเราอนุญาตรองเท้าเป็นชั้นๆในปัจจันตชนบทในครั้งแรกนั้นพระองค์ทรงอนุญาตให้ใช้รองเท้าเพียงชั้นเดียวแต่ว่าในทักกีนาปัจจชนบทนี้พื้นที่ครุกคละชั้นเดียวนั้นเมื่อใสไปแล้วเหยียบตามโขดหินบ้างโขดดินแข็งแข็งบ้างก็เจ็บไปถึงเท้าเพราะฉะนั้นท่านมหากรจเยนะก็จึงทุน อ่าฝากมาทูลขอผ่อนผันให้ใช้ยรองเท้าเป็นชั้นๆคือตั้งแต่สองสามชั้นไปได้พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้ใช้ยได้แต่เฉพาะในปัจันตันชนบทเท่านั้นแต่ในมัชชิมะชนบทนั้นก็ยังไม่ยอมอนุญาตเพราะฉะนั้นพระในภิกษุในเมืองไทยเหล่านี้จึงใช้รองเท้าเป็นชั้นๆได้ตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปได้อันนี้ก็เป็น การที่ท่านพระมหากาัยนะได้ทูลขอผ่อนผันไปไว้ทำให้เรานี่ได้ใช้รองเท้าไม่ผิดผวินัยเป็นชั้นชั้นได้ในข้อที่สามนั้นท่านพระมหากาัยนะก็ฝากมาทูลความว่าในอวันตรีทักินาชนบทนั้นพวกมนุษย์ต้องอาบน้ำกันทุกวัน ขอพระผู้มีภาคเจ้านั้นจงทรงอนุญาตการอาบน้ําเป็นนิดเถิดในข้อ น, นี้พระองค์ก็ทรงมีพุทธานุญาตว่าดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายเราอนุญาตให้อาบน้ําได้เป็นนิดในปัจจันทนบทุตรคือในพระวินัยเดิมนั้นพระองค์ทรงบัญญัติไว้ว่า15วันพระจึงจะอาบน้ําพิกษุทธิจึงจะอาบน้ําได้ครั้งหนึ่งถ้ายังไม่ถึง15วันไปอาบน้ําเขาจะต้องอาบัตรไปทิ้ตี แถว่าท่านพระมหาการเจายนะได้ทูลเนื้อความนี้ว่าคนประชาชนหรือันุษย์ในอวันตรีชนบทนั้นก็อาบน้ำก็ทุกวันคนประชาชนก็อาบน้ำทุกวันพระสิผ้าวันอาบน้ำครั้งนี้ก็ดูกะไรอยู่เพราะสิผ้าวันหมกักหมมไว้น่ามากก็คงจะเกิดกลิ่นอันไม่สะอาดคือกลิ่นหมนนั่นเอง ดังนั้นจึงขออนุญาตพระองค์ก็ทรงอนุญาตแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ทรงอนุญาตเพียงปัจจันตชนบทเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระเมืองไทยเราจึงอาบน้ําได้วันละขี่ครั้งก็ได้ไม่เป็นอบัติเพราะอาศัยอํานาจที่ท่านพระมหาการยนะท่านทูลขอไว้แต่ถึงอย่างนั้นถ้าหากว่าในมัชชิมชนบทคือในอมัชชิมชนบทคือประเทศอินเดียที่กําหนดเขตว่าเป็นมัชชิมชนบทนั้นต้องสิบห้าวันอาบน้ําถึงครั้งหนึ่งได้ถ้ายังไม่ถึงสิบ้าวันก็ยังคงเป็นอบัติตาม ในข้อที่สี่นั้นท่านก็ฝากลากลัอมากราบทูลว่าในท้าวันตีทักีนาปะทะชนบทนั้นมีเครื่องราชที่ทำด้วยหนังสักมีหนังแพะหนังแกะเป็นต้นบริบูรณ์ดีเหมือนมชิมชนบทขอพระพุทธองค์นั้นพึงทรงอนุญาตเครื่องราช ท, ทาด้วยหนังสักมีหนังแพะหนังแกะเป็นต้นเถิดในข้อนี้พระองค์ก็ทรง พุทธานุญาตว่าดูก่อนพิษุท์ทั้งหลายเราอนุญาตเครื่องราชที่ทําด้วยหนังสั de <ๆ>ตว์มีหนังแพะหนังแกะเป็นต้นเดิมนั้นพระองค์ห้ามไม่ให้ทําด้วยไม่ให้ไม่ให้ใช้เครื่องราดคือเครื่องเอคือผ้าปูนั่งหรือว่าเครื่องรองสําหรับนั่งหรือเครื่องราชต่างๆนั้นที่ทําด้วยหนังสัตว์เพราะเหตุที่ว่าเมื่อนิยมทําด้วยหนังสัตว์เหล่านี้เป็นเอเหล่านี้เป็นมีหนังแพะหนังแกะเป็นต้น จะทําให้ประชาชนหรือว่าคนนั้นฆ่าสัตว์มากขึ้นจึงให้ใช้อย่างอื่นแต่ว่าปรากฏว่าที่อวันตีทักขินาชนบทนี้เขานิยมใช้หนังสัตว์กันอยู่เป็นนิดแล้วท่านพระมหากัจจายนะจึงได้ทูลขอพรขอผนพันในเรื่องพุทธานุ ญ, ญาตนี้พระองค์ก็ทรงอนุ ญ, ญาตให้เพราะฉะนั้นจึงได้ใช้หนังสัตว์เนี่ยเป็นเครื่องปูราดอาสนะหรือว่านั่งนอนได้ ในข้อห้านั้นท่านพระมหากาจเยนะ ก, ก็จึงได้ฝากมากราบทูลว่าพวกมนุษย์ทั้งหลายย่อมถวายจีวรแก่พิสุผู้ไปแล้วในภายนอกสีมาด้วยคําว่าพวกข้าพเจ้าถวายจีวรผืนนี้แก่พิสุชื่อนี้เมื่อพวกเธอเหล่านั้นกลับมาแล้วพวกพิสุในวัดแจ้งความให้ทราบให้พวกเธอทราบพวกเธอจึงลังเกียจไม่ยินดีรับด้วยเข้าใจว่า โดยขจาจเสียว่าผ้านั้นเป็นนิสขีจำจะต้องสละเพราะล่วงสิบลาตรีแล้วขอพระผู้มีภาคเจ้านั้นจงเจ้าพึงตรัสบอกการปฏิบัติในจีวรเช่นนั้นในข้อนี้พระพุทธองค์ก็มีพุทธานุญาตว่าดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายลราอนุญาตเพื่อให้พิสุยินดีรับจีวรที่ทายยกถวายรับหลังนั้น ผ้านั้นยังไม่ถึงมือพิสุตรับใดจะนับว่าเธอเป็นสิทธิในผ้านั้นเต็มที่ยังไม่ได้ตรับนั้นคือในข้อนี้มีประชาชนบางคนนั้นเลื่อมใสในพระพิสุบางรูปนําจีวรมาถวายแต่บังเอิญพิสุรูปนั้นไม่อยู่เสียไปเสียต่างถิ่นไม่อยู่ในวัดก็จึงได้ฝากวัความจึงได้ฝากถวาย ่าจึงได้ฝากถวายไว้จึงได้ฝากไว้แก่พระภิกษุองค์หนึ่งภายในวัดนั้นให้ฟาสวะไหวพระองค์นั้นมีชื่ออย่างนั้นด้วยเมื่อเธอกลับมาแล้วก็ไปเิ้นนานบ้างเดือนบ้างหรือสิบห้าบันบ้างหรือเกินกว่าสิบวันกลับมาแล้วภิกษุในวัดก็จึงได้แจ้งความให้ฟังว่ามีทายกคนหนึ่งชื่อนั้นเขานําผ้ามาถวายท่านเมื่อวันที่ท น, นั้นภิกษุเมื่อ อ่าคำนวณดูแล้วว่าผ้าผืนนี้เกินล่วงสิบวันแล้วก็กลัวว่าเป็นผ้าเป็นเป็นผ้าที่เสียเป็นนิสกีแล้วก็ไม่อยากรับเพราะตามพระวินัยนั้นพระองค์ทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุได้จีวรใหม่มานั้นต้องทําพินทุอธิษฐานถ้าไม่ทําพินทุอธิษฐานนั้นปล่อยให้จีวรนั้นล่วงเลยไปถึงสิบลาตรี <c oughs> ถือว่าผ้านั้นเป็นนิสกี ถ้าพิสุชายสอยจะต้องเป็นปาจิติเพราะฉะนั้นต้องเสียสละทําการเสียสละผ้านั้นเสียก่อนแล้วจึงจะนั่นกลับมาใช้สอยหรือว่า <c oughs> ทำเป็นของส่วนกลางและเอามาใช้สอยได้ต้องเสียสละเสียก่อนดังนั้นพิสุจึงมาจึงเกิดความรังเกียจไม่อยากจะรับในข้อนี้พระพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธอธิบายว่า ให้พิสุจนนั้นยินดีรับผ้าเช่นนั้นเถิดเพราะว่าทายกเขามาถวายในขณะที่ตัวเองไม่อยู่ผ้านี้ยังไม่ถึงมือเราเมื่อไหร่ก็ยังไม่ถือว่าพิสูจน์นั้นเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ต่อเมื่อถึงมือเรานั่นแหละตอนนี้ถึงมีสิทธิ์ได้เต็มที่หมายความว่าแม้เราจะไม่อยู่เป็นปีๆเขาฝากไว้เมื่อเรากลับมาแล้ว ภิกษุแจ้งความนำมาให้ก็ถือว่าเราเพิ่งได้รับวันนั้นเราจึงมีสิทธิเต็มที่เพราะฉะนั้นผ้านั้นไม่ถือว่าล่วงสิบลาตรีไปแล้วแต่เมื่อเธอรับเป็นสิทธิแล้วแหละปล่อยไว้ถึงสิบลาตรีตอนนี้ผ้าที่จะเสียนี่พระองค์ก็ทรงอถาธิบายให้ภิกษุนั้นได้รู้แจ้งถึงหลักธรรมะโดยการที่ทธรรมมหาการยานะนี้ได้ทูลขอให้ทรงอธิบาย ท่านมหากจายนะนี้ตามหลักฐานตำนานและปรากฏว่าท่านเป็นคนที่มีรูปร่างสวยงามมากเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อกัญ น, นะคือมีผิวเหลืองดุจทองจึงมีเรื่องเล่าในธรรมบทว่าบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งแห่งเมืองโสเลยยะเขาเรียกกันว่าเศรษฐีแห่งเมืองโสเลยะ เห็นท่านเข้าแล้วก็นึกขนองในใจว่าถ้าเราได้พัญญาซึ่งมีรูปร่างงดงามอย่างท่านนี้เราจะพอใจยิ่งนักนี่ก็แสดงว่าพัญญาของบุรุษผู้นี้ของลูกเออลูกของเศรษฐีผู้นี้สวยหรือมีผิวพรรณสวยเนี่ยสู้ท่านพระมหากาัยนะักไม่ไดท้ทั้งทังที่บุตรของโสรรยะผู้นี้มีพัญญาแล้วมีบุตรแล้วถึงสองคน เห็นท่านมหากจารชนะเช่นน like ี oh, okay. so okay, so ้ย wow. so so so so ังเกิดว่าพอใจว่าท้าเราได้พัญญาถึงมีรูปร่างสวยอย่างนี้เราจะพอใจยิ่งนักด้วยอํานาจจิตที่คิดเป็นอกุศลฉนั้นเพียงฉนันเองเพศชายนั้นก็ของโสเลยะเศรษฐีนั้นก็กลับเป็นเพศหญิงทันทีนี่เพราะอํานาจที่อกุศลจิตที่คิดต่อพระอรหันต์กลับเป็นเพศหญิงทันทีจนได้รับความอะไรรับความอับอายเป็นอมากก็จึงได้หนีไปอยู่สเมืองอื่น ไปอยู่เมืองอื่นนั้นน่ะไปแต่งงานมีสา ม, มีจนมีบุตรได้ถึงสองคนภายหลังเพื่อนๆนทางบ้านเมือนน่อหนีไปแล้วทางบ้านเมื่อไม่เห็นเมื่อไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าไปไหนก็เข้าใจว่าคงจะเสียชีวิตไปแล้วขนาดทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้แต่ภายหลังเพื่อนๆนที่เป็นที่รักของตัวเองที่รักใคร่ชอบพอกันนั้นไปสู่เมืองที่ตนเองหนีไปอยู่นั้นไปเห็นเข้า ก็จำได้แต่ว่าเห็นเป็นผู้หญิงแต่ว่าเหมือนกับเพื่อนถึ่งเป็นบุตรของโสเลยะก็จึงได้เข้าไปสอบถามก็จึงได้รู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วก็จึงได้นำมาขอเข้ามาต่อท่านพระมหาการยนะเมื่อพระมหาการยนะนิโอดโทษแล้วก็ปรากฏประเภทชายนั้นจึงได้กลับมาตามเดิมเพราะเหตุอันนี้แหละท่านพระมหาการยนะโสอ่าจึงได้คิดว่า รูปร่างกายของเหล่านี้คงจะเป็นพิษเป็นภัยกับคนอื่นกลัวคนอื่นจะเป็นอย่างโสเลยยะเศรษฐีนี่บังก็เลยอธิษฐานเพ่ของตนเองนั้นให้เตี่ยมอต่อ้ไปเลยเพราะฉะนั้นที่เราก็เรียกกันว่าพระสังกัจจายนั่นเองนะพระสังกัจจายก็คือพระมหากระจายนะคือพระสงฆ์องค์หนึ่งที่ว่าชื่อกระจายะนั่นเองที่เราจะเห็นได้ว่ารูปร่างเตี่ยมอต่อ้พุงพลุ่ยเนี่ย นี่ที่ท่านอธิษฐานเพศอย่างนี้เพื่อไม่ให้เป็นพิเป็นภัยแก่คนอื่นที่มาเห็นเข้าจะเกิดจิตอันเป็นอกุศลและจะได้รับกรรมเหมือนกับอ่าโสรยะเศรษฐีผู้นี้อ่าบุตามตำนานได้กล่าวว่าท่านพระมหาการยานะอันนี้อยู่มาอยู่มาอภายอยู่มาถึงภายหลังพุทธปรินิพานคือปรินิพานหลังพระพุทธองค์ ซึ่งมีในความในพระสูตรพระสูตรหนึ่งชื่อว่ามธุรสูตรว่าท่านพระมหากาจรยานนี้ครั้งหนึ่งไปอยู่ที่มัุราวันแขวงมัุราชมธุระราชธานีพระเจ้ามัทุราชอาวันตีบุตรนั้นได้เสด็จไปหาแล้วก็ได้ถามถึงเรื่องของวรนละทั้งสีว่าข้าแต่ท่านพระมหากาจยานผู้เจริญพวกพรามถือว่าพวกเขานั้นเป็นผู้เปรต เ, เป็นผู้บริสุทธิ์ เกิดจากพระพรหมท่านเข้าใจความนี้ว่าอย่างไรท่านพระมหาการยนะก็จึงได้ทูลตอบแสดงถึงวันณะทั้งสี่นั้นว่าไม่ต่างกันก็คือว่าวันณะทั้งสี่นั้นก็เกิดมาจากมารดาซึ่งเป็นหญิงเดียกันทั้งนั้นไม่ได้เกิดมาจากพระพรหมหรืออะไรหรอกเพราะฉะนั้นวันณะทั้งสี่นี้ก็เสมอกันและเสมอกันโดยสามั ญ, ญลักษณะก็คือตกอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตา สมเหมือนเหมือนกันคือเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่มีคนใดที่จะพ้นไปสักสิ่งเหล่านี้ได้พระเจ้ามาทูราชนั้นได้สดับแล้วก็เกิดความเลื่อมใสก็จึงได้แสดงตนเป็นอุบาสกโดยที่พระองค์กล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้านั้นขอถึงพระเถระคือพระมหาการชนะกับพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสระที่พึ่งเท ล, ลึกพระเถระจึงทูลห้ามเสียว่าพระองค์อย่าได้ตรัสถินนะั้นอย่าได้ถึง ตัวอาตมาเป็นสารณะเลยจงถึงพระผู้มีพระเจ้าเป็นสรณะของพระองค์เถิดพระเจ้ามัทรราชจึงได้ตรัสถามว่าบัดนี้พระผู้มีพระเจ้านั้นประทับอยู่นาที่ใดท่านพระมหาการเจนะจึงได้ทูลตอบว่าบัดนี้พระผู้มีพระเจ้านั้นปรินิพานเสียแล้วพระเจ้ามัทรราชจึงกราวตรัสึ้นว่าถ้าหากว่า ทราบว่าพระผู้มีภาคเจ้าประทับอยู่ที่ใดในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามโยมก็จะไปเสด็จไปจะไปเฝ้าให้จงได้แต่พระผู้มีภาคเจ้าป ร, รินิพานเสร็จแล้วดังนั้นโยมจึงขอถึงซึ่งพระองค์คือพระผู้มีภาคเจ้าซึ่งป ร, รินิพานไปแล้วกับพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสัณะที่พึ่งที่ระลึก ข้อนี้ก็แสดงให้เห็นว่าท่านพระมหาการยนะนั้นอยู่มาภายหลังแต่พุทธปรินิพานเรื่องของพระมหาการยนะจึงจบไว้แต่เพียงแค่นี้ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร